เดืยนนี้นะมันพัฒนานะสมัยหลวงพ่อสอนแรกๆเนี่ยใหจิตได้สมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อก็ชมแล้วนะโอ้จิตตื่นแล้วตื่นแล้วต่อมาเนี่ยต้องแยกขันเป็นให้แยกขันไม่ได้นะโอ้งั้นแหละจิตตื่นแล้วก็ยังเดินปัญญาไม่ได้พอแยกขันเป็นแล้วต่อไปก็ต้องอีกสเต็ปหนึ่ง ต้งเห็นขันแสดงใจ ร, รักได้ถ้าเห็นขันแสดงใจ ร, รักได้ก็ใช้ได้ละก็ขึ้นวิปัสสนาละหลวงพ่อสอนช่วงแรกๆคนไม่เข้าใจเรื่องของสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยทั้งที่ครูบาอาจารย์สอนมานานนะท่านสอนมาตลอดเลยอย่างหลวงปู่ดุลสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกจิตออกนอกก็คือจิตที่มันเคลื่อนไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นนั่นแหละ หลวงปู่เทศท่านก็สอนเรื่องฌานกับสมาธิสมาธิสองชนิดอันนึงไปเพ่งอารมณ์อันนึงจิตตั้งมั่นโดยภาษาแต่ละองค์แต่ละองค์แ ต, แ ต, แตกต่างกันอย่างหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติคือได้จิตตั้งมั่นนั่นแหละครูบาอจารย์แต่ก่อนก็สอนแต่โดยภาษาที่แตกต่างกันพวกเราก็ไม่เข้าใจ ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกระทั่งนักปฏิบัตินะจะเอาแต่นั่งสมาธิให้จิตนิ่งนิ่งสงบเห็นนิมิตเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้เลยหาสาระไม่ได้ตอนหลวงพ่อสอนสมาธิชนิดตั้งมั่นแรกๆนะีคนไม่เข้าใจนะคิดว่าหลวงพ่อไม่ทําสมาธิต่อต้านการทําสมาธิไม่รู้หรอกสมาธิมีสองชนิดสมาธิทั่วๆไปคือจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนั่นเป็นสมาธิสาธารณะ หมถึงที่อื่นก็มีาศาสนาอื่นก็มีมีทุกาศาสนาแหละอย่างบางาศาสนาเขาไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเลยนะเล่นเปียโนเล่นออแกนเลยนะใจเขาก็สงบอยู่กับพระเจ้าก็าคือสมถนะนั่นแหละบางพวกเขาก็นับรูกประคำนะจิตสงบไม่หนีไปไห น, นก็คือสมถนะนั่นแหละอย่างมุสลิม ละหมาดวันละหครั้งเขาคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งถ้าคล้ายๆเทียบกับเราก็คือเทวตานุสติได้สมถนะนั่นแหละเขาก็ดีอย่างของเขานะไม่ใช่เขาไม่ดีนสมถะชนิดที่จิตสงบเนี่เป็นสาธารณะไม่ได้ปูกขาดเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อจะได้สัมผัส กับพระเจ้าสัมผัสกับเทวดาได้สามารถสัมผัสได้จริงไหมสัมผัสได้นะพวกเทพพวกคลุมเขาก็มีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีสัตว์นรกก็มีจริงจริงสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาคนอื่นไม่มีตอนพระพุทธเจ้าเด็กๆสักสามขวบเป็นอยู่ใต้ต้นว่านะ อยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็นั่งสมาธิตอนนั้นท่านนั่งสมาธิของท่านเองไม่มีครูสอนหรอกบารมีท่านเต็มนะแล้วท่านทำสมาธิโดยที่ไม่ไม่เคยรับข้อมูลอื่นๆทำไปแบบซื่อๆตามความเคยชินที่เคยฝึกฝนมาตั้งแต่ก่อนท่านทำสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ได้ปฐมฌานไะด้ คำว่าฌานฌานเนี่ยก็คือการเพง่งฌานมันมีสองด้านด้านหนึ่งถ้าเพ่งอารมณ์เรื่องอารมณูปนิชฌานใช้ทําสมถะอันนี้เป็นของทั่วไปเป็นของสาธารณะฌานอีกชนิดหนึ่งเรียกลักขณูปนิชฌานจิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไดนะ้ก็ได้ฌานที่1 2 3 4 5 678เท่าๆกับฌานที่เพ่งอารมณ์นั่นแหละ แต่ว่าจิตมันอยู่คนละที่กันจิตมันไม่เคลื่อนไปจิมนตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองอยู่เนี่ยท่านทำโดยอัตโนมัตินะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคล้ายๆพวกเด็กเด็กไทยเนี่ยวาดรูปเก่งมากฝรั่งชมเลยเด็กเวลามันวาดรูปนะวาดได้ดีแต่โตขึ้นแล้ววาดไม่ดีเลยหาคนวาดรูปเก่งๆยากมากเลยมันไปติด วิธีวาดรูปของคนอื่นไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองชาชายศิริทัศาเนี่ยท่านเป็นธรรมชาติของตัวเองตอนเด็กๆแต่โตขึ้นท่านก็ติดสมาธิแบบของคนอื่นเหมือนกันเงั้นเวลาท่านออกไปบวชครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ท่านนึกถึงเวลาพวกเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมสิ่งที่แรกที่พวกเรานึกถึงคือการนั่งสมาธิใช่ไหมปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิไม่งั้นถือว่าไม่ได้ปฏิบัติ ช, ชาชัศีริทัศ า, าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน งนันงานแรกที่ท่านทําตั้งแต่ออกจากวังไปก็คือไปเรียนนั่งสมาธิกับพวกฤาษีฤาษีก็สอนนะ阿าราะดาบทสอนให้ท่านทําได้ถึงอากินจันยายตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยนะอุททกดาบทก็สอนให้ท่านทําเนวสัญญานาสัญญายตนะณะจิตเนี่ยแทบจะไม่เหลือสัญญาเลยแทบจะไม่มีความรู้สึกเหลือเลยยอสงบสบายลึกซึ้งประนีต อันนี้เป็นเพ่งอารมณ์ภายนอกเพ่งอรูปเพ่งอรูปภายนอกนี่พอออกจากสมาธิเนี่ยอาจารย์ก็ชมบอกว่าท่านจบหลักสูตรแล้วขอเชิญมาช่วยกันสอนมาเป็นอาจารย์ด้วยกั น, นท่านก็พบว่ามันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยการนั่งสมาธิอย่างนั้นนั่งเพ่งให้มันนิ่งให้จิตมันสงบมันนิ่งพอออกจากสมาธิมากิเลสก็กลับมาเหมือนเดิมดีไม่ดีร้ายกว่าเก่าอีกนะ ใกลกว่าเก่านี้หลวงพ่อพูดเองนะแต่ว่าท่านสอนแต่ว่าท่านพูดแค่ว่ามันไม่ล้างกิเลสหรอกมันไม่พ้นทุกข์หรอกแต่ว่าจากประสบการณ์ที่พบที่เห็นเนี่ยพวกที่ติดสมาธิมากๆออกจากสมาธินี่มันจะร้ายร้ายมากๆเลยอารมณ์จะร้ายเพราะอะไรเพราะตอนนั่งสมาธิมันมีความสุขมีความสบายมันไม่ยุ่งกับใครพอออกมาแล้วต้องกระทบกับคนอื่นกระทบกับสิ่งอื่นนะนิดหน่อยมันก็ทนไม่ได้ มันเหมือนคนที่ถูกเลี้ยงอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะออกมากระทบอากาศข้างนอกตายเลยเชื้อโรคเยอะสู้ไม่ไหวเนี่ยเพราะติดสมาธิสงบก็ที่จะเป็นอย่างนั้นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เห็นว่ามันไม่มีสาระอะไรเลยนะท่านก็ต้องหาวิธีใหม่วิธีใหม่ท่านก็ยังแหวกกรอบของสังคมยุคนั้นไม่ออกอยู่ดีเห็นไหมยังแหวกกรอบออกมาไม่ได้ กลับเฮานักบวชยุคนั้นนะถ้าไม่ฝึกจิตให้นิ่งบังคับจิตให้ได้ควบคุมจิตไว้แนวอำนาจก็ต้องมาบังคับกายไว้แนวอำนาจถ้านะก็มาทรมานกายมาฝึกไปเรื่อยนะคิดว่าถ้าฝึกเจนกระทั่งมันไม่ยึดถือกายไม่รักกายอะไรเนี่ยบังคับมันแกล้งมันมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนนะทรมานมันเรื่อยเป็นการฝืนกิเลสให้คิดว่าทําอย่างนี้ระวันหนึ่งจะสู้ตันหาได้ทําลายตันหาได้ คนยุคนั้นเขารู้อยู่ก่อนแล้วนะว่าตัณหาทำให้เกิดทุกข์ตัวนี้เขารู้กันอยู่ก่อนแล้วในศาสนาที่ครนมีคำสอนอย่างนี้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งที่ขาดอยู่ในขณะนั้นคือมรรคไม่มีมรรคไม่รู้วิธีที่จะพ้นจากตัณหาแล้วก็ใช้วิธีทรมานร่างกายเอาอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็ทำให้ลาบากเนี่ย ทรมานตัวเองมันมีคอนเซปต์นะมีวิธีคิดของเขาเขาไม่ได้โง่เลยที่การคิดว่าจะต้องปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ก็มีวิธีคิดของเขาเจ้ชาชายสุทธ า, ทาฝึกอยู่หลายปนะีท่านฝึกนั่งสมาธิเนี่ยแค่เจวันเองเพราะว่าสมาธิมันของง่ายสําหรับท่านปรนะากฏมาทรมานร่างกายอยู่ตั้งหลายปีเนะี่ยอันนี้เป็นวิบากนะเป็นวิบากถ้าพระสิริยะเมตไตรเนี่ยจะทรมานร่างกายอยู่อาทิตย์เดียวหลย พระพุทธเจ้าเราทรมานนานครั้งหนึ่งท่านเคยไปกนแนกแหนพระพุทธเจ้านะพระพุทธกัตสปันสมัยเป็นโชติปาละสมัยพระพุทธเจ้าองค์กนะ่อนท่านท่านชื่อโชติปาละนะเป็นลูกเศรษฐีท่านมีเพื่อนเป็นช่างปั้นมอช่างปั้นมอดมอดินนะนะชื่อคติการะคติการะเป็นพระนาคามี ในมีเพื่อนเป็นเศรษฐีนะไม่วไหนเลยไม่สนใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่ไปฟังธรรมก็คิดว่าเราจะหาเองเราจะหาเอาเองเนี่ยนิสัยพระโพธิสัตว์นะทั่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่ไปชวนยังไงก็ไม่ไปแถมกระแนกกระแน่ด้วยบอกว่าพระพุทธเจ้าของเธอไปตรัสรู้มาคงจะไปอดข้าไปทรมานตัวเองอยู่ในป่าละมัง่งก็เลยได้ธรรมะมาไปกระแนกกระแน่ กันแนกันแหนพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละต้องไปรับความทรมานอยู่ถึงห้าปีกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทนะี่ไปเฝ้าพระโดนวันหนึ่งไปอาบน้ำในแม่น้ำอ่ะสะผมเรียบร้อยผมนี่ถือเป็นของสูงนะยิ่งของคนวันนะสูงเนี่ยคนวันณะต่ำไปแตะไม่ได้เลยไปสาะผมเรียบร้อย ขึนจากน้ำมาคติการะก็ไปชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะไม่ไปดึงผมเลยไปไปเดี๋ยวนี้เลยนะดึงโชติปาระก็รู้สึกคงจะสําคัญมั้งคติการะที่วันหน้าต่ําเนี่ยกล้าดึงผมเราเลือดเยยอมไปเฝ้านะไปฟังธรรมแต่ก็ไม่บรรลุอะไรว่าใจคิดจะจะเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่าก็หันมานับถือพระพุทธเจ้านะ ทำบุญทำดีอะไรเนี่ยกรรมเล็กน้อยนะกระนแนกกระแหนพผูเจ้าเนี่ยท่านเลยต้องมาลำบากทรมานร่างกายอยู่เกือบหกปีนี่ไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายอย่าทํานะถ้าทํากรรมไม่ดีแล้วก็ยังไงก็ต้องรับผลกรรมดีทําไว้ไม่เสียลายอะไรเสร็จแล้วท่านก็พบว่าทรมานกายเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลนะท่านก็นึกขึ้นได้ถึงตอนเด็กๆ เด็กๆคือธรรมชาติเดิมของท่านที่ทําสมาธิชนิดที่มันตั้งมั่นได้ในตอนที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านก็กลับมาทําสมาธิตั้งมั่นพอเริ่มทําสมาธิตั้งมั่นตอนเย็นๆ เ, เริ่มทําสมาธิให้จิตตั้งมั่นขึ้นมามานก็มาเลยมานต้องมาตอนนี้แหละถ้าช้า ก, กว่านี้ไม่ได้สมัยที่ท่านฝึกนั่งสมาธิเพ่งออกนอกเนี่ยมานไม่ยุ่งเลยมานยิ้มเลยเพราะสมาธิเพ่งออกนอกเนี่ยเป็นเหยื่อของมานนะ ก็ไปเป็นปรอมไปอะไรเงี้ยไม่พ้นจากอานาจของมารมานไม่ว่าอะไรไปทรมานร่างกายมารก็ไม่ว่าอะไรเพราะไม่พ้นหรอกแต่พอเข้าสูกทางสายกลางมาฝึกจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานลมารทนไม่ได้แล้วมารผจญพอมาระจญท่านก็ต่อสู้นะท่านคิดถึงคุณงามความดีของท่านท่านก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวบารมีของท่านเต็มก็ใช้บารมี10ประการของท่าน บารมีทั้ง10ประการนะพวกเราไปหาอเอาเองตั้งแต่ฐานะบารมีบารมี10ประการเนี่ยถ้าแก่รอบเต็มทีมันคือการกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะจะลงมาถึงตรงนี้เลยงั้นมานมาะจญ น, นะอย่างมากแค่ตายตายก็ตา ย, าตายจะเพื่อเอาธรรมะไม่ยอมถอยเลยเนี่ยบารมีที่เต็มแล้วใจมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าใจไม่ถึงขนาดนี้ข้ามพบข้ามชาติไม่ได้กระทั่งพวกเราที่เป็นสาวกนะในนาทีที่จะแตกหัก ก, กับกิเลส จะทำลายวัฏตะลงไปเนี่ยมารผจญ น, นะมารจะมาบอกว่า เ, ล, เลิกเสถเอลูกเสเถออย่าทำต่อไปเลยเท่านี้ก็มีความสุขเหนือมนุษย์ทั้งหลายแล้วนะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วรักษาชีวิตไว้จะได้ทำประโยชน์ต่อไปนะีมารมาลูกไม้มากนะมาหลอกลวงจะให้เลิกปฏิบัติพูดดีๆก็ไม่เลิกข่มขู่ก็ไม่เลิกลนะถ้าท่านต้องต่อสู้ถ้าใจของท่านบารมีเต็มแนละ้ว กาสละชีวิตเพื่อธรรมะล้เนี่ยท่านก็เข้าสู่ทางสายกลางประมาณแพ้ท่านจิตของท่านตั้งมั่นมีพลังเต็มที่แล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นเต็มที่นะถึงฌานที่4เลยฌานที่4เนี่ยจะครอบคลุมไปถึงอรูปฌานด้วยเราะอารูปฌานอีก4รวมไปแล้วฌาน8ปดเนีรูปฌานก็คือฌานที่4นีะ่เพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีรูปเป็นอารมณ์ ไม่ได้เอาปฏิภาคไม่มีอะไรปฏิภาคนิมิตมาเป็นอารมณ์จิตทั้งขัานถึงฌานสี่จิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยเสร็จแล้วท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะเห็นไหมไม่ใช่จิตตั้งมั่นแล้วก็ตั้งเฉยๆอยู่ตลอดชาตินะเพราะงั้นที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วต้องแยกขันเป็นนะถ้าแยกขันไม่เป็นไม่ตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้กินหรอกนะไม่โน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะไม่ไม่เดินปัญญา จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นจุดสตาร์ทที่จะเดินปัญญาได้ก็ต้องเริ่มเดินปัญญาการเริ่มเดินปัญญาก็คือต้องแยกธาตุแยกขันธ์พระพุทธเจ้าท่านก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำแตท่านภูมิปัญญาท่านสูงท่านพิจารณาปฏิจจสมุ ป, ปบาทปฏิจจสูบัตในความเป็นจริงแล้วมี12ขั้นน ะ, นะสายเกิด12สายดับอีก12เริ่มตั้งแต่อวิชชาจนถึงทุกข์โยงกันไปโยงกันมานะอวิชชาไปถึงทุกข์ เวลาท่านพิจารณนานะท่านพิจนาย้อนหลังจากทุกไล่ลงไปจนถึงอวิชชาไล่กลับไปกลับมาจนแจ่มแจ้งทำลายอาวิชชาได้ปฏิจจสมบับาททั้ง12ขั้นตอนในความเป็นจริงก็คือรูปนามนั่นเองแต่ว่าเป็นรูปนามที่ทำงานสืบเนื่องกันถ้าพวกเราบารมีไม่พอสติปัญญาเราไม่พอเราไม่ได้ดูรูปนามที่ทำงานสืบเนื่องกันเราดูรูปแต่ละรูปดูนามแต่ละนามเห็นมันเกิดดับเกิดดับเท่านี้ก็พอผลถูกแล้วนะ ถ้าพอพ้นทุกข์ได้สุดท้ายจุดสุดท้ายที่จะแตกหักก็คือเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์บางคนเห็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคัน้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้มุมใดมุมหนึ่งก็สลัดคืนจิตให้โลภได้ก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้แต่บารมีพระพุทธเจ้าสติปัญญาแก่กล้า ม, มากดูแค่นี้กิ๊กก็เกินไปการที่ดูจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยเรียกว่าจิตตานุปัสสนานะบารมีอย่างน้อย ปัญญาอย่างน้อยอยู่ถ้าแก่กล้าจริงจะขึ้นไปทรมานุปัสสนะรำมานุปัสสนานั้นจะเห็นกระบวนการทํางานเช่นเห็นกระบวนการว่านิวนนนรณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ละตัวแต่ละตัวมันเกิดขึ้นได้ยังไงทํำยังไงนิวรณ์ไม่เกิดโพชฌงเกิดขึ้นได้ยังไงนะจะพัฒนาโพชฌงขึ้นไปได้ยังไงขันห้าแต่ละขันเนี่ยเป็นยังไงขันแต่ละขันทํางานลิงก์กันยังไงสัมพันธ์กันยังไงอริยศาสตร์หรือปฏิจจสมบาทนั้น เป็นกระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมสืบเนื่องกันไปนะระหว่างอาวิชชาจนปรุงความทุกข์ขึ้นมาเนี่ท่านดูเข้าไปถึงธรรมานุ ป, ปัสสนาพระบารมีท่านมากสติปัญญาท่านมากนะสมกับเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการพิจาริยสัจนะแค่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยถึงระดับนั้นนะของเราแค่กายานุ ป, ปัสสนาเห็นรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตา หรจิตตาโนปัสสนานะแค่นี้ก็พอแล้วก็พอไปไหวแต่ว่าความแตกฉานจะไม่เท่าท่านในปฏิจจานสวัสดิ์ทั้ง12ขั้นตอนแท้จริงก็คือรูปรนามทั้งหมดเลยอวิชชาเป็นนามรรมาทำสังขารอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอาวิชชาคือความไม่รู้อริยรรสัจสี่ประการความไม่รู้รูปนามในอดีตความไม่รู้รูปนามในอนาคตความไม่รู้รูปนามในอดีตและอนาคต ความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเนี่ยรวมแล้วแปดประการไม่รู้อริยสัจสี่ประการไม่รู้รูปนามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้รูปนามในอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้รูปนามในอดีตเช่นไม่รู้ว่ารูปนามทั้งหลายต้องมีเหตุถึงจะเกิดได้ก็จะไปคิดว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้นะเียใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐินาาชนิดนะงั้นท่าน ตัวอวิชชาจริงๆก็คือความไม่รู้ความไม่รู้นะก็คือตัวโมหะเป็นนามธรรมความไม่รู้เนี่ยปรุงแต่งให้เกิดสังขารสามประการปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีอาปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอาเนรชาพิสังขารความปรุงแต่งว่างๆปรุงแต่งจะไม่กระทบอารมณ์ก็จะน้อมไปสู่รูปฌาน งั้นถ้าใครมาสอนเราให้น้อมจิตให้ว่างนิรันดร์ต้องรู้นะว่านั่นคืออานเนรชาพิสังขาร น, นะอย่าไปหลงกลไปเรียนว่าน้อมจิตให้ว่างว่างวางไปเรื่อยแล้วจะบราารลุพระอรหันต์อันนั้นอ่ะคือรากเง้าเขื่ อ, อวิชาล้วนๆเลยมันคืออานเนรชาพิสังขารทุกวันนี้ก็ยังมีคนสอนอย่างนั้นอยู่นะไม่ได้สอนให้ดูรูปนามเป็นไตรลักษณ์แต่สอนให้ทําจิตให้ว่างไม่ยุติอะไรเลยนั่นคืออานเนรชาพิสังขาร พวกอาภิสังขารสประการนี้ในความเป็นจริงคืออะไรในความเป็นจริงคือเจตนาคนะือตัวเจตนาเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เจตนาทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาความไม่รู้ความจริงเป็นรากเป็นเง้าทั้งสิ้นเลยถ้าทำลายอวิชชาได้เจตนา3ประการนี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเจตนานี้แหละทาให้วิญญาณหนะยั่งลงไป สู่ความเกิดเนี่ยตัววิญญาณก็เป็นนามธรรมตัวเจตนาก็เป็นนามธรรมอวิชาก็เป็นนามธรรมพอวิญญาณอย่างลงไปเกิดตรงที่เกิดเนี่ยมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมพอเกิดแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีผัสสะผัสสะเป็นอะไร ภาษาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นนามธรรมนะภาษาภาษามนาสิกานสัญญาเวทนานี่เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตนานาช น, นิดเลยเกิดร่วมกับจิตทั้งหลายทั้งปวงเลยนะทั้น์ภาษาเองก็เป็นนามธรรมมีภาษาแล้วเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกสุขทุกเกิดความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกเวทนาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นนามธรรม เห็นไหมปฏิจจสมุบัตส่วนใหญ่เป็นนามธรรมนะเมื่อถ้าดูจิตเก่งๆนะจะเห็นปฏิจจสุบัทได้เยอะเลยนะถ้าดูกายเก่งๆไม่ค่อยเห็นปฏิจจสุบัตเพราะส่วนใหญ่เป็นนามธรรมเวทนาเป็นตัจจัยของตัณหาตัณหาคือความอยากคือโลภะเป็นนามธรรมตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานคืออะไรอุปาทานคือโลภะที่มีกําลังแรงกล้าก็เป็นนามธรรมอีก อุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพเอาแล้วสิภพเป็นรูปธรรมหรือนมามธรรมไปคิดเอาเองสอนมากนะเขาจะจําเอาอย่างเดียวไฟภานานะภาณานาั่มีภพนั้นก็จะได้ชาติมาชาติก็มีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมชาติคืออะไรความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ชาติมาก็ได้ตัวทุกมาตัวทุกคืออะไรรูปนามไงคือตัวทุก นั้นจริงๆแล้วปฏิจจสุบาทนะัมีแต่รูปธรรมนามธรรมตลอดสายนะนะั่นแะงั้นที่เรามาเรียนเนี่ยเรามาเรียนเรื่องรูปธรรมนามธรรมนะเรียกว่าเจริญปัญญามาดูความจริงของรูปธรรมนามธรรมความจริงของรูปธรรมนามธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้พระพุทธเจ้ามีสติปัญญามากท่านถึงเห็นเหตุ น, นนะซ้อนซ้อนซ้อนอ น, อนอไปถึง12ขั้นเลยนะไปทําลายอาวิชชาได้สาวกก็เห็นตามได้นะสาวก อย่างพระอรหันต์สาวกเนี่ยทำลายอวิชชาได้ทุกองค์แต่ความรู้ความแตกฉานเนี่ยไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกนะพวกเราหัดดูรูปดูนามนะให้เห็นรูปนามแสดงใจ ร, รักษได้เพราะงั้นอันแรกเลยนะถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าไม่มีศีลห้าจิตจะฟุ้งซ่านถ้ามีศีลห้าจิตไม่ฟุ้งซ่านอันที่สองถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากนะ ก็ทําความสงบเพื่อทําสมาธาน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์มันเดียวเป็นสมาธิชนิดที่จิตไปอยู่ที่อารมณ์ถ้ามันสงบพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นมิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นคือคอยรู้ทันจิตทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตบทเรียนที่พระพุทธเจ้าต้องการสอนเราในเรื่องของสมาธินะท่านต้องการสอนสมาธิชนิดตั้งมั่น งั้นในหลักสูตรของพระพุทธเจ้าถึงชื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาตรงจิตสิกขาแล้วบอกว่าได้สมาธิเนี่ยนะถ้าทำสมาธิแล้วไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตอยู่กับลมนะสงบอยู่กับลมไม่ได้มีจิตสิกขาเลยนะงั้นสมาธิชนิดนั้นไม่ใช่เฝ้าหมายนะัไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการมันเป็นแค่ที่พักผ่อนแต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธ เหมือนศีลเนี่ยศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเห็นว่าเป็นของดีท่านก็ยอมรับเข้ามาใช้สมาธิชนิดให้สงบท่านก็ไม่ปฏิเสธเห็นว่ามีประโยชน์เหมือนกันแต่สิ่งสําคัญนะคือต้องฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นให้ได้สมาธิตั้งมั่นนะฝึกด้วยการรู้ทันจิตนะพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปหนีได้สองแบบหนีไปคิดกับหนี้ไปเพ่ง รู้ลมหายใจจิตก็หนีไปเพ่งลมหายใจก็ได้หนีไปคิดก็ได้ดูท้องพองยุบนะจิตก็ไปเพ่งท้องก็ได้หนีไปคิดก็ได้จิตเป็นเคลื่อนตลอดการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่เราเรียนเรื่องจิตไปเรื่อยนะนี่สุดจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเมื่อไหร่ก็จบหลักสูตรของจิตศิกขาก็ขึ้นหลักสูตรของปัญญาศิกขาปัญญาศิกขาจะเริ่มต้นด้วยการแยกรูปนามแยกรูปแยกนามรูปประธรรมส่วนหนึง่งนามธรรมส่วนหนึ่ง <necessary. S 2> นามาทำที่ต้องแยกขึ้นมาเป็นตัวที่หนึ่งเลยก็คือจิตเพราะในทุกปรากฏการนั้นมีจิตเป็นตัวร่วมจะเป็นปรากฏการที่ดีก็มีจิตเป็นตัวร่วมมีปรากฏการที่เลวจิตก็เป็นตัวร่วมอยู่ในปรากฏการนั้นจะเป็นปรากฏการที่สุขที่ทุกจิตก็เป็นตัวร่วมอยู่ในปรากฏการนั้นเพราะฉะนั้นจิตนั้นแหะเป็นแกนกลางของทำทั้งปวงนะพระเจ้าถึงบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานรำทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจ เะฉันต้องเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจให้ได้ถ้าเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะได้แต่เปลือกแต่ผิวหาสาระไม่ได้เลยนั่นเราต้องมาฝึกจิตของเรานี้แหละให้ตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้นะทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาจิตไหลเรารู้จิตไหลแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นตั้งแล้วอย่าตั้งเฉยบางคนพอจิตตั้งมั่นเนี่ยถ้าบุญเก่าเคยทํามาเคยเจริญปัญญาพอจิตตั้งมั่นป๊อขันจะแตกตัวออกเองเลย จะแยกออกโดยอัตโนมัติเลยนะบางคนไม่แยกบางคนมันไม่แยกต้องช่วยมันแยกพวกนี้ไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยเจริญปัญญาเคยจะทำสมาธิถ้ามันไม่แยกต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกนะคืนั่งอย่างนี้แหละนั่งไปแล้วก็ดูไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูฝึกไปอย่างนี้นะร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดู ใจจะเป็นคนดูไปเรื่อยนะใจจะตั้งมั่นเป็นคนดูเพราะเราฝึกได้ใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูมาแล้วก็ต้องเอามันมาดูดูอะไรให้ดูกายดูใจดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณนะ์นี่วันนี้สรุปรวบยอดให้ฟังแล้วนะพวกที่มาเข้าคอร์สวันที่สามงั้นเราใจเราต้องฝึกให้ได้ใจที่ตั้งมั่นพอนะได้ใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ย ถ้าร่างกายมันแยกออกไปใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูทําได้เองอัตโนมัติดีที่สุดหรือเห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูดีที่สุดเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจเป็นคนดูอันนี้ดีที่สุดเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเป็นคนดูอีกอันนี้ดีแต่ถ้ามันไม่เห็นมันรู้ตัวอยู่เฉยๆอันนี้ต้องช่วยมันต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อจะให้เกิดย่านทัศนะขึ้น น้มน้อมจิตหมายถึงให้มันออกไปทํางานไม่ให้มันนิ่งไม่ให้มันเฉยนะค่อยๆดูถ้าทำเต็มรูปแบบนะพวกที่จิตดูยากจริงๆนะทำเต็มรูปแบบเลยพิจารณา ก, กายเข้าไปเลยดูไปเลยผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทีละส่วนทีละส่วนนะอาการ32ในร่างกายเนี่ยดูไปเรื่อยเห็นแต่ว่าผมก็เป็นของถูกรู้ถูกดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของถูกรู้ถูกดูนะ ดูด้วยจิตที่มีสมาธิมากพอนะแต่อันนี้จะต้องไปทำสมาธิชนิดสงบด้วยถึงจะทำได้ดีจิตต้องสงบจริงๆนะแล้วก็จิตตั้งมั่นด้วยสงบด้วยแล้วก็มาดูอวัยวะทีละส่วนผมคนเล็บฟันหนังน้องกระดูกดูไปดูไปมันจะสลายตัวนะด้วยกำลังของสมาธิที่เราฝึกไว้สมาธิชนิดสงบเนี่ยมันจะทำให้ไอ้พวกนี้หายไปหมดเลยในสุดร่างกายหายไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียว บางคนตอนที่ร่างกายหายเนี่ยมีสาวเอฟเฟกระเบิดเปลี่ยงเปรี่ยนแป้งแปง้มีไฟลุกท่วมไหม้ไปหมดเลยนะมีหลายรูปแบบบางคนฟ้าผา่ากระเด็นกระดอนกระจัดกระจายไปหมดนะนะรวมความแล้วก็คือสุดท้ายเหลือจิตดวงเดียวสว่างสวยอยูนะ่แล้วพอพอจิตถอยลงมานะกลับมามีร่างกายนยีมันจะรู้สึกเลยว่ากายกับจิตเนี่ยขนละอันกัน นี่เพิ่งแยกขันได้นะยังไม่เริ่มมีปัสสนานะเพิ่งแยกขันได้เท่านั้นเองบางคนนึกว่าโอ้ตรงนี้บรรลุแล้วพระอนาคาคาแล้วไม่ใช่ยังไม่เริ่มมีปัสนาเลยใครเคยรู้จักหลวงพ่อพุทธานิโยใครเคยได้ยินชื่อมีไหมหลวงพ่อพุทธนะ์หลวงพ่อเรียนอยู่กับท่านเยอะชีวยว่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนกับท่านบ่อยที่สุดเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่โคราชก่อนนี้ไปทุกเดือนเลยหลวงพ่อพุทธท่านครั้งหนึ่งเป็นวันโลก วันนรคสมัยโบราณก็ตทับตาได้ตายแน่นอนไม่มียารักษาได้หรอกท่านก็จะตายตอนนั้นท่านก็เพิ่งบวชไม่นานตอนที่ท่านท่านเป็นวันนรคแล้วท่านจะตายทั้งก็นอนนอนดูมันตายไม่รู้จะทําไงนะนอนภาวนาไปดูมันตายตอนที่มันจะตายเนี่ยจิตถอดออกมาจิตมันแจ้งออกจากร่างกายนะจิตลอยขึ้นไปอยู่ข้างบน มองย้อนมาเห็นร่างกายนอนโอ้หมีเติหนังพุ่มกระดูกผอมเป็นวรรณโรคดูไม่ได้เลยน่าเกลียนหน้าชังเสร็จแล้วก็เห็นนะร่างกายเนี้ยตายลงไปเห็นร่างกายค่อยคเน่าเปื่อ ย, อยอแตกสลายผุพังเป็นปุ๋ยผงไปสุดท้ายร่างกายหายไปเหลือจิตดวงเดียวสวา่างสวัยอยูนะ่พอจิตถอยออกจากสมาธินะกลับมามีร่างกายเนี้ยท่านรู้ชัดเลยว่ากายกับจิตนี่ขวนละอันกันอันนี้หมายถึงพวกที่ทํายากสุดๆแล้วนะจะ แ, แยกอย่างนี้ถ้า ไม่ยากขนาดนี้ก็ไม่ต้องใช้วิธีถึงขนาดนี้หรอกเพราะหน้าตาย่างพวกเราทำฌานยากทำสมาธิระดับเนื้อโคงเกินเกินไกวกว่าเอาแค่ว่านั่งไปนั่งไปนะเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูอย่างนั้นก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเพื่อย่างนี้แหละ ฝึกไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นนร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูเราก็บังคับมันไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราก็ควบคุมจิตไม่ได้อย่าไปควบคุมจิตนะให้คอยรู้ทันจิตตามที่เขาเป็นถ้าสมถะกรรมฐานเราจะควบคุมจิตให้สุขให้สงบให้ดีวิปัสสนากรรมฐานเราจะรู้ความจริงของจิตของกายด้วยเราจะไม่ควบคุมเมื่อวันสุข มีผู้หญิงคนหนึ่งมาส่งกันบ้า น, นะผู้หญิงนั้นบอกว่าทํางานบ้านอยู่เห็นร่างกายมันทำนะํำใจอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูแต่ไม่ได้กําหนดอยู่ที่จิตด้วยเช่ไหมแล้วเป็นธรรมชาติมากเลยถูกต้องเลยถ้ากําหนดอยู่ที่จิตนะก็ยังใช้ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้รักษาจิตด้วยนะแต่ว่ามีจิตที่เป็นคนดูโดยที่ไม่ได้รักษาร่างกายก็เคลื่อนไหวไปบอกทางานบ้านไปเรื่อยๆอยู่ๆจิตรวมปุ๊บเข้ามานะเห็นหมดเลยว่าตัวเราไม่มีที่ไหนเลยนะ และเขาทำงานบ้านอยู่แท้ๆนะไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งสมาธิหำรุ่งหำข่าอะไรรอกนะนั่นอยู่ที่ว่าจิตของเราตั้งมั่นพอไหมจิตของเราแยกขันได้ไหมนะถ้าเห็นขันมันแยกร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนดูกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอย่างนี้ก็ภาวนาได้แล้วก็ไปได้นะหรือบางคนต้องการรู้ละเอียดขึ้นไปอีกเวลานั่งไปนานๆปวดเมื่อยขึ้นมาก็เห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งมันมาทีหลัง แต่เดิมันไม่ปวดมันมาทีหลังเพราะงั้นมันไม่ใช่ร่างกายแน่นอนโคลานจิตเป็นคนดูอย่างนี้เราจะแยกได้3ามขันลนะมีร่างกายคือรูปขันมีความปวดเมื่อยคือเวทนาขันจิตเป็นคนดูคือวิญญาณขันได้สามขันลนะพอปวดมากๆเนี่ยเริ่มกระสับกระส่ายเริ่มเป็นห่วงตัวเองนะเช่นเกิดความกังวลว่าอ้วนนั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอมภารอะไรเงี้ยนะเริ่มเป็นห่วงตัวเองเป็นอมภาร กิเลสก็สอนเลยลุกขึ้นเถอะอย่านั่งต่อไปเลยนะนั่งต่อไปอย่างนี้เป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคทรมานตัวเองหลอกเอานะเนี่ยตรงที่มันปรุงมันแต่งได้นะมันคือสังขารขันมันปรุงชั่วแล้วมันจะชวนให้หนีกรรมฐานนะนะปรุงให้ขี้เกียจขี้คล้านปรุงให้ท้อแท้อ่อนแอปรุงให้กลัวให้กังวลเลยเนี่ยความกลัวความกังวลอะไรพวกนี้เป็นสังขารขันนะ์มันไม่ได้เกิดที่ร่างกายมันไม่ใช่ตัวความเจ็บปวด มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่แยกได้สีขันแล้วนะสัญญาขันช่างมันก่อนอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวบ้านะสัญญามันเพี้ยงง่ายช่วขันช่างมันก่อนเดี๋ยวมันเป็นทีหลังอันนี้เริ่มจากแยกกายกับจิตนะถ้าบางคนไม่ถนัดที่จะแยกกายแยกยังไงก็แยกไม่ออกแยกจิตกับเจตสิกจิตของเราไม่ได้เกิดลอยๆแต่จิตของเราเกิดร่วมกับธรรมะที่เรียกว่าเจตสิกอะไรคือเจตสิกความรู้สึกสุขทุกข์ ความรู้สึกเฉยๆเป็นเจตสิกเรียกว่าเวทนาความจําได้หมายรู้เป็นเจตสิกเรียกว่าสัญญาความปรุงดีความปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นเจตสิกเรียกว่าสังขารงั้นถ้าคนไหนขี้โมโหนะเราก็รู้ทันใจที่โกรธมันโกรธพอความโกรธเกิดเรามีใจเป็นคนดูอยู่เราจะเห็นเลยว่าความโกรธกับใจนั้นเป็นโคนละนกันใจทีแรกไม่ได้โกรธความโกรธมาทีหลังเพราะงั้นใจกับความโกรธเป็นโคนละนกัน ใจกับความโลภพอเป็นโคละอนกันนะพอความโกรธความโลภมันตั้งอยู่พอสติระลึกรู้มันก็ดับใจก็ยังเป็นคนดูอยู่เราก็จะเห็นเออจิตใจกับความโลภความโกรธอะไรนี้คละอันกันเนี่ยความสุขเกิดขึ้นเราเป็นจิตใจเป็นคนดูนะความสุขหายไปจิตยังเป็นคนดูอยู่เออความสุขกับจิตก็โคละอนกันเนี่ยหัดอย่างนี้นะมันจะแยกนามาทําออกแยกแยกกายกับใจก็ได้นะแยก เจตสิกกับจิตใจก็ได้เห็นไหมใจเป็นตัวร่วมในทุกตัวนะทิ้งไม่ได้เลยทิ้งใจตัวเดียวคือทิ้งการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะต้องมีใจเป็นคนดูตัวนี้แหละสําคัญบางคนบอกว่าไม่ดูจิตไม่ดูจิตไม่เอาจิตไม่เอาใจทํากรรมฐานไม่ได้หรอมันต้องมีจิตเป็นคนดูถึงจะแยกกายก็ต้องมีจิตเป็นคนดูแยกเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูนะแยกสังขารก็มีจิตเป็นคนดู แล้วยังเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกอีกเดี๋ยวจิตไปดูเดี๋ยวจิตไปฟังเดี๋ยวจิตไปคิดเกิดดับหมุนอย่างนี้เรื่อยๆนะตลอดเวลาเนี่ยการที่เราได้สามารถเห็นขันแต่ละตัวแตกตัวออกขันแต่ละตัวนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ได้ชัดเจนความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็ดับเราอย่าไปดับมันนะความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องรักษาความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องเกลียดชัง กุศลเกิดขึ้นไม่ต้องรักษาอกุศลเกิดขึ้นไม่ต้องเกลียดชังให้รู้ทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกันคำว่ารู้อย่างเท่าเทียมกันนะใช้ทําตอนวิปัสสนานะที่ว่าสุขทุกข์ดีชั่วเท่าเทียมกันนะตอนทําวิปัสสนาแต่ตอนอยู่กับโลกไม่ได้นะความดีกับความชั่วเท่าเทียมกันไม่ได้นะมันคำมาคนละระดับนั่นมันเรื่องจริยธรรมดีคือดีชั่วคือชั่วเอามาเสมอกันไม่ได้ถูกคือถูกผิดคือผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกันนะ ท่านบอกว่าอย่าคบคนชั่วให้คบคนดีใช่ไหมทําไมไม่เหมือนกันนะไม่อุเบกขาเหรอือใช่ไหมไม่ใช่แนตะ่คนละเรื่องท่านบอกให้ชมคนที่ควรชมให้ข่มคนที่ควรขม่มใช่ไหมลูกน้องไม่ดีด่ามันลูกน้องทําดีชมมันทําถูกนะอย่างนี้ถึงจะถูกแต่ในขั้นวิปัสสนานั้นเท่าเทียมกันนะสุกทุกดีชั่วเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เพราะงั้นถ้าได้ยินว่าสุกทุกดีชั่วเท่าเทียมกันอย่าลืมต่อคําว่าโดยความเป็นไตรลักษณ์นะ งั้นจะอับประลักไปเลยเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยทําชั่วก็ได้เพราะไม่มีอะไรบางคนสอนอย่างนั้นนะทำชั่วก็ได้ไม่ยึดถือพูดออกมาได้ไงไม่เข้าใจธรรมะงั้นเราภาวนานะเห็นขันมันแยกเห็นขันมันเกิดดับแสดงใจลักษณ์ไปถ้ามันพอเมื่อไหร่สติสมาธิปัญญาอัตโนมัติเพียงพอนะอริยมรรคจะเกิดเวลาอาริยมรรคจะเกิดจิตจะรวมลงที่จิต จิตมันทำไมมารวมลงที่จิตทำไมมันไม่รวมหลบที่ลมหายใจรวมลงที่ท้องเพราะมันเคยชินที่จะรวมลงที่จิตนะจิตมันไปตามความเคยชินรวมลงที่จิตเพราะว่าเราเคยฝึกสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นมาแล้วถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจิตตั้งมั่นนะมักไม่มีวันเกิดเลยนั้นต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นนะและสติมันรลึกรู้สภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตโดยที่ไม่ได้เจตนารลึกเห็นสิ่งบางสิ่งไหวๆขึ้นในจิต2ขนาดสขนานะ ถ้าปัญญาเนี่ยก็แจ่มแจ้งขึ้นมาโดยไม่เจตนาพิจารณาเลยเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้นเลยมันจะสลัดสิ่งห่อพุ่มจิตออกนะถ้าเกิดอริยามารรคได้จะแหวกอาสวะกิเลสออกได้เทิร์นครั้งที่4ี่เนี่ยจะทําลายอาสวะกิเลสไปทําลายจะว่าทําลายมันก็ไม่เชิงนะจริงๆมันสําลอกออกมันคล้ายๆมันถอดถอดอาสวะทิ้งไปเลยนะท่านถึงว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะความไม่ถือมั่นในพระไตรปิฎกใช้คำถูกเป๊ะๆกับการปฏิบัติเลยมันหลุดพ้นจากอาสวานะนไม่ใช่ไปฆ่าอาสวะกิเลสตายด้วยนะนี่นะไปเรียนนะค่อยๆฝึกนะสอนให้จนขนาดนี้ไม่ทำกูโ ง, ง่แล้วละ่ะนะไม่มีใครเข้าสอนหรอกนะเยอะขนาดนี้นะเอาไปทานข้าวไป